ที่ท่านได้กระทําไว้ดีแล้วนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันเนพะนะนะราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะนะมาถึงโค้งนี้สุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้ทําจิตใจแระดับคารวะน้อมปูกพร้อมๆกันะนะนะแต่หลวง พ, พ่อเนี่ยนะบวชก่อนท่านนะหนะนะลวงพ่อในห้าสิพรรษาเนี 50, นเน่ท่านสนะีนะ่สิบท่าน40่พรรษาหลวงพ่อในห้าสพรรษาแล้วนะเนะนะนะพราะฉะนั้นให้อ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 แต่นี่คนขับรถของหลวงปูนะ่น่ยขยับรถหลวงปูนะ่ขยับเท่าไรรถก็ไม่ขยับพ่อะอะไรเพราะลูกสูบมันติดแหลเะเนีลูกสูบมันติดเนีมันหมดสภาพหลวงปู่จะทํำยังไงได้หลวงปู่ก็ต้องออกใช่ไหมออกจากรถจะไปเฝ้ารถได้ยังไงพรารถมันตายเนี่นี่แหละแต่เนีวิญญาณของหลวงปู่ก็ออกจากร่างไปแล้วแต่ถ้าหลวงปู่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 แปลว่าร่างกายของท่านหมดสภาพแล้วไปทิ้งไว้ในข้างถนนแล้วเดี๋ยวนี้จะทำยังไงเมื่อรถทิ้งอยู่ข้างถนนจะไปเฝ้ารถก็ไม่ได้ซเฟอร์ก็ต้องหนีออกจากรถแต่พวกเราทัดนั้งหลาย ก, ก่อนที่จะหนีออกจากรถนะนะเรามีเงินในกระเป๋าหรื อ, อยังในสําคัญเี้มีทุนหรื อ, อยัง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 การจะบีบแ่จะรบกวนคนอื่นเขาหรือไม่ที่การเล่นปีกแกนี่ต้องระมัดระวังอันนี้คือโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นสมควรอย่างยิ่งโซเฟอร์จะต้องได้รับการอบรมท่นีน้อบรมโซเฟอร์จะทำยังไงจะอบรมได้พราะพระเจ้าให้นั่งสมาธิท้เต็มเข้าหาสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตใจอยู่กับตัวเองจอิตใจนิ่ง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 ย่บบอมว่าจุกตูปะปะาแต่ญาณที่แรกปุบที่แรกปุบปุบเพนิวาปุบเพนี่วา่วาสานุสติญาณอันนั้นคือญาณเบิกที่แรกอพอถึงเชี่นคือจุตูปะปะาแต่ญาณพอจนสว่างอันว่าอาสาววัคไยะญาณจุตูปะปะาแต่ญาณเนี่ยคือญาณที่พระอษฐ์นั่งสมาธิลนะ